หนึ 102. นาณาสังวาสกาทิอุปโสธากรณะว่าด้วยภิกษุเป็นนานาสังวาสเป็นต้นธรำอุโบสถข้อ180ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้พวกภิกษุอาคันตุกะเห็นพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้เป็นนานาสังวาสเข้าใจว่าเป็นสมานสังวาสไม่แต่ถามทำอุโบสถร่วมกันไม่ต้องอาบัติ ภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นแต่ถามแล้วไม่รังเกียจทำบูโบสดร่วมกันต้องอบัตทุกกฎภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นแต่ถามแล้วไม่รังเกียจแยกกันทำบูโบสดไม่ต้องอบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุอาคันตุกะเห็นพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็นผู้สมานสังวาสเข้าใจว่าเป็นนานาสังวาสไม่แต่ถามทำบูบสดร่วมกันต้องอบัตทุกกฎ ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นแต่ถามแล้วรังเกยียจแยกกันทำอบูโบสถต้องอบัตทุกกฎภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นแต่ถามแล้วรังเกียจทำอบูโบสถร่วมกันไม่ต้องอบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสเห็นพ ว, พ ka, พวกภิกษุอาคันตุกะผู้เป็นนานาสังวาสเข้าใจว่าเป็นสมานสังวาสไม่แต่ถามทำอบูโบสถร่วมกันไม่ต้องอบัต ภิกษุที่อยู่ในวาดเหล่านั้นแต่ถามแล้วไม่รังเกียจทําบุโบสถร่วมกันต้องอบัตทุกกฎภิกษุที่อยู่ในวาดเหล่านั้นแต่ถามแล้วไม่ร GREEN ังเกียจแยกกันทําบุโบสถไม่ต้องอบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึง่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในวาดเห็นพวกภิกษุอาคันตุกะผู้เป็นสมานสังวาส <sk r out> เข้าใจว่าเป็นนานาสังวาสไม่แต่ถามทําบุโบสถ ร, ร่วมกันต้องอบัตทุกกฎ ภิกษุที่อยู่ในวาดเหล่านั้นแต่ถามแล้วรังเกียจแยกกันทำอบโบสถ ต, ต้องอบัตทุกกฎภิกษุที่อยู่ในวาดเหล่านั้นแต่ถามแล้วรังเกียจทำอบโบสถ ร, ร่วมกันไม่ต้องอบัต